ตอนที่24ไม่มีบ้านจะแต่งเมียได้ยังไงไม่ได้สินสอดต้องให้แน่นอนเจ้งหวินะชงเน้นเสียงหนักแน่นแม่สื่อเฮวันนี้เรื่องแปลกประหลาดมีให้เห็นจริงๆปกติแล้วสิ่งที่ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมัจะตกลงกันไม่ได้จนเจรจาล่มบ่อยที่สุดก็คือเรื่องสินสอดแต่ผลลับในวันนี้เป็นยังไงนะหรือฝ่ายชายเร่งราจะให้ส่วนฝ่ายหญิงกลับยินกรานไม่เอา ถ้าการแต่งงานทุกคู่คุยง่ายเหมือนพวกเขาก็คงดีเธอที่เป็นแม่สื่อคงทําเงินจนรวยเละไปแล้วใช่แล้วตั้งแต่โบรามาฝ่ายชายต้องเป็นคนเตรียมสินสอดจะไม่ให้ได้ยังไงส่วนเงินก้อนนี้เจ้าอยากจะจัดการยังไงก็สุดแท้แต่เจ้าเถอะเจ้าชุนหวาพยักหน้าเห็นพ้องกับคําพูดของลูกชายก่อนจะชะงักไปครู่หนึ่งแล้วเอ่ยต่อชิงพิงเห็นทีว่าเมื่อไหร่จะรับพ่อแม่ของเจ้ามาดีละ่ะพวกเราจะได้มาคุยกันให้เป็นเรื่องเป็นราวไม่ต้องคะเมื่อหลี่ชิงผิงพูดถึงคนทางบ้านเดิมเธอก็ปฏิเสธทันควัน เรื่องแต่งงานของฉันฉันตัดสินใจเองได้ไม่ต้องแจ้งคนทางบ้านหรอกคะ่ะลีชิงผิงรู้ซึ่งดีว่าแม่ของเธอมีนิสัยอย่างไรหากรู้ว่าเธอจะแต่งงานใหม่แถมยังแต่งเข้าบ้านที่ดีขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะก่อเรื่องวุ่นวายอะไรมาทําให้ตระกูลเจิ้งลำบากใจบ้างลี่หวันที่อยู่ข้างๆว่าตาไหว้วูบดูเหมือนว่าแม่ของเธอจะไม่ใช่คนประเภทที่แยกแยะอะไรไม่เป็นอาได้สิเจ้าว่ายังไงพวกเราก็ว่าตามนั้น เจ้าชุนฮวาพอดูออกว่าหลีชิงพิงหน้าจะมีความสัมพันธ์กับทางบ้านไม่ค่อยดีนักไม่อย่างนั้นเรื่องใหญ่ขนาดนี้อย่างไรก็ต้องแจ้งให้ทางบ้านทราบการเจรจาเรื่องแต่งงานดําเนินไปอย่างราบรื่นมากความจริงหลักๆ ก, ก็คือเจิ้งอวินฉงเอาแต่จะให้ส่วนหลีชิงพิงก็เอาแต่จะไม่เอาเมื่อมีแม่สื่ออยู่ด้วยวันนี้ถือว่าทุกอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ทางฝั่งนี้ปรึกษาหารือกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยแต่ในทางกลับกันโจเจี้นเี้กับหลิวเคอเคอกลับดูไม่ค่อยมีความสุขนัก โจจีนเย่ยตัดสินใจที่จะแต่งงานเช่นกันเขาจึงนัดวันที่จะไปเยี่ยมบ้านฝ่ายหญิงโดยถือผลไม้ไปเพียงถุงเดียวเท่านั้นพ่อแม่ตระกูลหลิวเห็นถ้าทางซอมซ่าของเขาหากไม่รู้ว่าเขาเป็นถึงผู้พันในเขตทหารคงจะเลืกะเพิดออกจากบ้านไปแล้วหลิวเคอเคอร์อพยายามช่วยสร้างบรรยากาศอยู่ข้างๆแต่แม่หยางแม่ของหลิวเคอร์เคอร์ก็ยังคงวกเข้าเรื่องสําคัญเจียนเย่ยในเมื่อพวกเธอสองคนจะแต่งงานกันอย่างน้อยเรื่องบ้านก็ควรจะตกลงกันให้แน่นอนตอนนี้คุณก็เป็นถึงผู้พันแล้วมีบ้านพักส่วนตัวหรือยัง ไม่มีครับโจจี้นเย้ยทำราวกับฟังไม่ออกถึงความลำบากใจในคําพูดของว่าที่แม่ยายเขาเหยียดหลังตรงที่บ้านเกิดผมมีบ้านครับส่วนในเขตทหารผมพักอยู่ที่หอพักตามตําแหน่งของผมตอนนี้ยังไม่สามารถยื่นเรื่องขอรับบ้านพักแยกต่างหากได้ครับหอพักพ่อตระกูลสือพ่อของหลิวเคอเคอเบิกตากว่างทันทีงั้นแกหมายความว่าหลังจากลูกสาวฉันแต่งงานกับแกแล้วจะต้องไปอยู่หอพักกับแกงั้นเหรอ แน่นอนว่าไม่ใช่ครับสามารถเช่าบ้านอยู่ได้ลานบ้านแถวเขตทหารราคาค่อนข้างถูกครับโจเจียนเย่รู้สึกว่าไม่มีความจําเป็นต้องซื้อบ้านเลยความจริงแม้แต่การเช่าบ้านเขาก็คิดว่าไม่จําเป็นด้วยซ้ําเขาพักอยู่ที่หอพักก็ดีอยู่แล้วหากไม่พิจารณาว่างานของหลิวเคอเคออยู่ที่เมืองจริงการแต่งงานใหม่ของเขาเขาก็ตั้งใจจะให้ภรรยากลับไปอยู่ที่บ้านเกิดเหมือนเดิมเพื่อจะได้ดูแลพ่อแม่และทําหน้าที่กตัญญูแทนเขาเช่าพ่อตระกูลสื่อทําหน้าบึง้งตึง นกจะออกไขยังต้องมีรังเลยชาวบ้านอยู่จะอยู่ไปได้ทั้งชีวิตหรือไงเรื่องพวกนี้เป็นเพียงการพิจารณาชั่วคราวครับในอนาคตถ้าผมได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปอีกก็จะมีสิทธิ์ได้รับจัดสรรบ้านพักครับอนาคตและอนาคตของแกนะเมื่อไหร่จะได้เลื่อนเป็นรองผู้พันที่นี่คือเขตทหารไม่ใช่ตลาดสดการจะไต่เต้าจากผู้พันขึ้นไปเป็นรองผู้พันนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยบางทีทั้งชีวิตนี้อาจจะไต่ขึ้นไปไม่ถึงด้วยซ้ำไม่ใช่ว่าทั้งคู่ต้องชาวบ้านอยู่ไปตลอดชีวิตหรอกเหรอ ควจริงสิ่งที่พ่อแม่ตระกูลหลิวไม่พอใจที่สุดก็คือโจเจี้ยนเย่เคยแต่งงานมาแล้วแถมยังได้ยินว่ามีลูกสาวอายุสิบกว่าปีอีกคนถึงแม่ลูกสาวคนนี้จะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับเขาแต่เด็กคนนี้ก็มีตัวตนอยู่จริงเครอรเคอของพวกเขาน้าเรียนจบมหาวิทยาลัยเป็นนักกาวอยู่ที่สำนักพิมพ์หน้าตาก็สสวยขนาดนี้การแต่งงานกับโจเจี้ยนเย่ถือเป็นเรื่องที่เสียเปรียบจริงๆแต่ติดที่ลูกสาวเต็มใจการที่โจเจี้ยนเย่มาเยี่ยมบ้านในวันนี้ก็เป็นผลมาจากการที่หลิวเคอร์เคอร้ อ, อ้อนว และเห็นแก่หน้าลูกสาวด้วยถึงได้ยอมมาเจอว่าที่ลูกเคยคนนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างผลปรากฏว่าไม่ได้เรื่องเลยพ่อตระกูลสื่อแค่นเสียงเย็นไม่มีบ้านฉันไม่ยอมให้ลูกสาวแต่งงานกับแกหรอกพ่อขะพ่อเลิกทาตัวหน้าเงินแบบนี้ได้ไหมคะลิวเคอเคอกังวลว่าโจเจียนเย่จะเสียหน้าจึงรีบเอ่ยปกป้องทันทีต่อให้เขาไม่มีอะไรเลยฉันก็รักเขาฉันจะแต่งงานกับเขาไม่ว่าพวกพ่อแม่จะยอมหรือไม่ก็ตามแกหุบปากไปเลยตอนนี้ยังไม่ถึงตาแกพูด พ่อตระ ก, กูลสือตวาดกลับหลิวเคอเคอด้วยความโมโหลูกสาวโง่คนนี้มันพวกคลั่งรักจนหน้ามืดตะมัวจริงๆไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้ใช้ยาสเสน่ห์อะไรกับเธอพ่อตระ ก, กูลสือโกรธจัดฉันไม่ยอมไม่ยอมก็คือไม่ยอมโจวเจียนเยี่ยตั้งแต่เขาโตมาจนป่านนี้ไม่เคยได้รับความอับยศออสูขนาดนี้มาก่อนเลยใช่แล้วมันคือความอับยศเขาที่เป็นลูกผู้ชายอกสามศอก เป็นถึงผู้พันในเขตทหารกลับถูกตําหนิที่นี่จนไม่มีชิ้นดีโจวเจี้ยนเ ย, ย่ไม่รู้สึกว่าตัวเองมีตรงไหนที่ไม่คู่ควรกับหลิวเคอเคอร์อเลยเขาอายุยังน้อยก็ได้เป็นถึงคู้พันแล้วมีตรงไหนที่ไม่คู่ควรกับเธอกันโจวเจี้ยนเ ย, ย่ลุกพรดขึ้นจากม้านั่งทําท่าจะเดินจากไปในเมื่อคุณลุงคุณป้าไม่ต้อนรับผมงั้นวันนี้พวกเราก็ไม่มีความจําเป็นต้องคุยกันต่อแล้วครับเจี้ยนเ ย, ย่หลิวเคอร์เคอรรีบเข้าไปดึงแขนโจวเจี้ยนเย่ยไว้ พ่อกับแม่ฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นนะคุณอย่าคิดมากเลยเคอร์เคอแกดูเขาสิอายุขนาดนี้แล้วยังไม่มีมารยาทมีที่ไหนพูดกับผู้ใหญ่แบบนี้มีหน้าละเมียเก่าถึงได้แย่กับเขาคนคนี้มันมีปัญหาจริงๆมีแต่แกนั่นแหละที่เห็นเขาเป็นสมบัติล้ำค่าฉันเห็นด้วยกับที่พ่อแกพูดเรื่องแต่งงานของพวกแกสองคนไม่สําเร็จแม่หยางเดินเข้าไปดึงตัวลูกสาวมาแล้วชี้ไปที่ประตูบ้านสั่งให้โจเจี้ยนเยี่ยออกไปแม่คะหลิวเคอร์เคอร้อนใจ พวกแม่ทำอะไรกันนะ่าอย่ามาก้าไกา่การตัดสินใจของฉันได้ไหมฉันรักเขาถ้าพวกแม่ไม่ยอมฉันก็จะหนีตามเขาไปส่วนโจเจี้ยนเย่ย น, นั้นเดินจากไปโดยไม่แม้แต่จะหันกลับมามองพ่อตระกูลสือโกรธจนหน้ามือตาลายเดินเข้าไปตกหน้าลูกสาวฉาตดใหญ่หลิวเคอเคอหน้าบวมเป่งทันทีเธอไม่สนว่าพ่อแม่จะยอมหรือไม่อย่างไรเธอก็ต้องแต่งงานกับโจเจี้ยนเย่ยให้ได้ก็ได้ในเมื่อพวกพ่อแม่ไม่ยอมนั้นฉันก็ไม่อยากอยู่แล้วถ้าไม่ได้แต่งกับเขาอยู่ไปก็ไม่มีความหมาย โจเจียเย้ยนยังไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านตระกูลหลิวตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เขายังไม่ได้กินอะไรเลยเมื่อกลับมาถึงโรงอาหารเขตทหารเขาสั่งบะหมี่มาเป็นอย่างแรก บ, บะหมี่ต้าหรูเมียนที่คนกรุนยังไม่ทันเข้าปากเขาก็ได้ยินคนข้างๆซุบซิบกันเอ๊ะได้ยินหรื อ, อยังรองผู้พันเจิ้นจะแต่งงานแล้วนะวันดีคือต้นเดือนหน้ากระทันหันจังเลยนะเมื่อก่อนไม่เห็นมีวิแววเลยแต่งกับใครละ่ะไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ฉันได้ยินมาว่าเป็นผู้หญิงที่มีลูกติดคนหนึ่งหน้าตาสวยใช้ได้เลยละ่ะ อ้าแต่ยังไงรองผู้พันเจิ้งของเราก็นับเป็นการแต่งงานครั้งแรกไม่ใช่เหรอจะแต่งกับคนที่เป็นไม่ลูกติดเนี่ยนะไม่แล้วยังไงล่ะบ้านรองผู้พันเจิ้งมีหลานชายตั้งสามคนผู้หญิงที่แต่งครั้งแรกใครจะกล้าแต่งเขา้าล่ะคําพูดเหล่านี้เข้าหูโจเจี้นเ ย, ย่ทุกคาสิ่งแรกที่เขาคิดถึงก็คือหลีชิงผิงหลีชิงผิงกับเจิ้งอวินชงจะแต่งงานกันงั้นเหรอ